ถ้าเราพอมีกำลังควรควรจะช่วยนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ตัดสินใจซื้อเครื่องมือให้กับโรงพยาบาลชุมแพเป็นเงินนี่หละล้าน0 0แสนบาทเพราะนั้นขอบอกให้คณะสัตธา ญ, ญาติโยมพระเนนทุกรูปนะรับรู้รับทราบเพราะเงินนี้ไม่ใช่ปัจจัยนีไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อเป็นปัจจัยเกิดมาจากวัด ทาว่าหลวงพ่ออยู่องค์เดียวศรัทธา ญ, ญาติโยมถวายก็คงจะถวายไม่มากเพราะหลวงพ่ออยู่องค์เดียวแต่นี้พระหลายองค์เขาก็ถวายจะถูกปัจจัยก็ได้มาก็หลายถวายเผื่อองค์นั้นองค์นี้เพราะนั้นเป็นปัจจัยส่วนรวมในเมื่อได้มาแล้วก็นั่นแหละแบ่งทําถน น, นบ้างสร้างวัดลูกน้องตามวัดต่างต่างบ้า ง, งแบ่งซื้อเครื่องมือบ้าง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 ก็หลวงพ่อเคยพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังว่าหลวงพ่ออิ น, นขี้อวดออพอทําอะไรแค่เล็บดําแล้วก็อวดหน้าอวดหลังะออผู้คิดอย่างนั้นก็มีอีกเหมือนกันนะคณะสทรายญญาจโยมเพราะมันหลายคนนานาจิตต่างนานาทัศนะนาน า, น า, น า, นาความคิดความเห็นออผู้เห็นด้วยอนุโมทนาสาธุก็มีผู้อิจฉาตาเหลือก็มีมันมีมากระโล ก, กันีะ เพราะนั้นหลวงพ่อคิดว่าพูดดีกว่าชี้แจงให้เคลียร์ตัวตัวเองดีกว่าเคลียร์วัดวาศาสานาดีกว่าดีกว่าไม่พูดอะไรเลยทาไมพูดอะไรมันอึมครึมพอมันอึมครึมก็วิจารไปนานๆต่างๆเสียหายแต่เราพูดเนี่ยจะเกิดประโยชน์แต่ว่าพูดที่มีน้ำจิตน้าใจแต่หลวงพ่อทำทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อไม่ใช่ทาโดยพระการ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 ไม่ให้ทำอย่างไงถ้าหลงตาเดินซ้ายเราเดินขวาอย่างนั้นเลเอถ้าถ้าถ้าหลงตาเดินหน้าเราจะถอยหลังอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ใช่อีกเราก็ต้องเดินตามรอยของท่านถ้าท่านพาดำเนินอย่างไรเป็นธรรมไหมเป็นวินัยไหมถูกต้องไหมถูกตามโลกสมมติไหมไม่ผิดนะ น, ะนี่เราพิจารณาการกรองด้วยปัญญาของเราแล้วเราก็เดินตามหลังของท่าน เ, าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด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 ครูบาอาจารย์ของท่านเหมือนกันแต่หลวงพ่อเนย่ยยึดตามแนวแถวขององค์หลวงตาหลวงตาบอกว่าใช่เขาถวายให้กับสงฆ์ก็จริงอยู่ เ, เมื่อสง์รับแล้วสงฆ์วัดป่าบ้านตารับแล้วเห็นว่าจะเปิดเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อชุมชนต่อวัดวาศาสานาต่อสาธารณประโยชน์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 เรื่องอะไรออกไปอแต่ก็ไม่ใช่วิตกวิจารนะเเออคิดแล้วก็ออกไปเลยเ อ, อที่มันทีท่วนแล้วไม่มีไม่เดือดร้อนแล้วนะนี่แหละอันนี้ก็คือการบริหารจัดการเรื่องอปัจจัยจิตุปัจจัยที่เดชอติเลกดาบที่ได้มาในะกับวัดของเราหนะลูกหลานนะ่ะแล้วก็พร้อมกันการขี้ตีทีเหนียวมันไม่ดีหรอกเออ ไม่รู้จักแปลงไม่รู้จักปันพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวันหนึ่งพระพุทธองค์มองท่านมองดูสัตวโลกคือพระพุทธเจ้าท่านมีพารฐพ่อจวนสว่างพระพุทธองค์จะมองรอบสัตวโลกมองโลกเหมือนกับเลดา่าอย่างนั้นแต่นี่พยานของพระองค์ อย่านรัตนะของพระองค์เนี่ยมันยาวไกลกว่าเลดา้านในขอบจกกักรวาลเลยเไม่มีประมาณแต่เลดา่าของเมืองอุดร เ, เลยเดา้าในสนามบินนีมันอยู่ในกรอบมันวงจำกัดใช่อันนี้เลดา่าของพระพุทธเจ้าท่านมองรอบด้านท่านก็เห็นอานนนเศรษฐีแล้วก็มูลศิลิมูลศิลิเศรษฐี อยู่ในกรุงสาวัตถีอานนเศธีมีเงินทั้ง8ปดสบโกรเป็นคนรวยกองเมืองในกรุงสาวัตถีแต่ว่าขี้ถนีขี้ขี้เหนียวนีุ่ดไม่มีไม่มีคำว่าแบ่งปันให้ใครเนี่ยไม่มีตกหลนเลยอ่แล้วก็มีลูกชายชื่ออะมูลชริเศธีลูกชายแนตะ่นี้ก็มีลูกชายคุณคนเดียวเทนะ่านั้นพอใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วก็ต้องตั้ง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 ร่างกายนี่ปากกรเบี้ยวไปเั้งหนึ่งตาก็ปิดไปตั้งหนึ่งหูกับไม่เสมอกันอีกแปลว่าวิญาณวะของอน์เศษฐีที่มันเกิดขึ้นมาเป็นลูกจันทานะแปลว่ากรรมกรรมคือการกระทาของตัวเองขี้เหนียวยังไปแล้วเนี่ยยังดุดาว่ากาวคู่คนอีกต่างหากใช้อากับกิริยาที่ว่าอันไหนจะกอใครไม่รู้ว่าใครต่อใครล่ะพอคน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 ตอนเช้าพระพุทธองค์ก็พพระอา น, นุ์เดินตามหลังไปบินทบาทเป็นปัจชาสมะณะนะถ้าสับปะษ า, าบลีวว่าปัจชามะณะคือเป็นผู้เดินตามหลังพระพุทธเจ้าพอเดินไปถึงหน้าประตูบ้านเศรษฐีพระพระนนุทธองค์บอกว่าอา น, นุนท่านก็มองมองดูพระอา น, นุ์พระอา น, นุ์ก็จัดาหาที่นั่งแล้วก็บอกประกาศคนแถนเอ้ยจยัท่าแย่ทวงใครจะมาฟังพระพระนนุทธองค์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 เขาก็เห็นอยู่เขาก็ไม่ให้มันเข้าบ้านใช่อหมันคนแบบนั้นจะเข้าบ้านเนี่ยเาก็ไล่ตะเพิดนะี่ยแต่นี้พระพรทธองค์บอกว่ามูลชลเศรษฐีรู้ว่านี่เป็นใครไม่ไม่ทราบไม่รู้ครับมันเป็นเด็กจระจัดเด็กจันทานนะไม่รู้นี่แหละพ่อของท่านเนี่ยฟังดูนะเหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วเกิดนะไม่ใช่ตายและสูญนะเนี่ยนี่แหละพ่อของท่าน เศรษฐีอมูลสิริเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีขนาดนั้นเนี่ยเอาชี้ให้เด็กอตาบิดตาเบี้ยวคนนั้นมาเป็นพ่อเนี่ยโอ้โหเออก็เหมือนกับจะเป็นใครมาพูดก็เธอนะจะระดับสูงขนาดไหนมาพูดกันเลยเมนทการเอ่มูลศิริเศรษฐีเนี่ยเหมือนกับงูเหา่างูจงอาง เ, เหมือนเอาเอาไม้ไปตีหางมันอย่างนั้นนะชูคอขึ้นมาเนี่ย พระพุทธองค์เอาอะไรมาเป็นหลักฐานทำไมดูถูกข้าบองค์ถึงขนาดนี้ลักษณะอย่างนั้นอ่ะพวกวเราว่าเอ้ยมูลชลิเอเดี๋ยวเธอปฏิบัติตามเรานะปฏิบัติอย่างที่เราตถาคตพูดนะเธอจะรู้นะนี่นะให้เอาเด็กคนนี้ยนหะ่ะเด็กพิการคนนี้แนะ่ะปากปิดปากเปี้ยวนะไปอาบน้ำชำระกาย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 มูลสิริเศรษฐีก็ได้สำเร็จพรโ ส, สดาบันนี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านตายแล้วไม่สูญคนทำกรรมอันไหนไว้กรรมนั้นจะตามสนองถ้าคนขี้ตนีทีเหนียวเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็อย่างนั้นเห็นมานนเ์เศรษฐีไม่เห็นเอาอะไรไปด้วยได้สักอย่างถึงจะหวงไว้ก็หวงเถอะพอไปเกิดมาพบหน้าชาติหน้านได้ตะกำท่านน่ะ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 หนึ่งร้อยพันหมื่นแสนล้านโกดเออโกดแปลว่าสิบล้านสิบหมื่นเป็นแสนสิบแสนเป็นล้านสิบล้านเป็นโกดเนี่ะคว่าเขาวานับโกดหนึ่งแล้วแปดสิบโกดล่ะเป็นเท่าไหร่เมันไม่ใช่น้อยแต่ว่าเท่าไหร่ก็หวงแหนหมดขี้ตะนีทีเหนียวหมดเพราะว่าเป็นคนมัทธยัติคนขี้ตะนี